วันนี้พวกเราจะมาหาแฟนใหม่กันจะมีแฟนใหม่กันเพราะว่าแฟนที่เรามีอยู่ในขณะนี้เป็นแฟนชั่วคราวเป็นแฟนที่จะต้องมีวันพัาดพลาดจากกันแล้วถ้ามีการพัาดพลาคจากกัน เราก็จะอยู่กับความว้าเหวอยู่กับความเศร้าซ้อยงอยเหงาอยู่กับความทุกข์ถ้าเรามีแฟนใหม่แฟนที่ไม่มีวันจากเราไปแฟนที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะมีความสุขไปตลอด เราจะไม่มีความว้าเหวเศร้าส้อยงอยเหงาเราจะไม่มีความทุกข์กันเราจึงต้องมาหาแฟนใหม่มาสร้างแฟนใหม่เพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดแฟนเก่าหรือแฟนที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ ก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิก้นกายบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ร่างกายของคนนั้นของคนนี้และร่างกายของเราที่เราใช้เป็นแฟนของเราให้ความสุขกับเรา สักวันหนึ่งเขาก็จะต้องมีวันจากเราไปเพราะของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ที่ให้ความสุขกับเราเปรียบเหมือนกับเป็นแฟนของเรานี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาเขาจากเราไปหรือเวลาเราจากเขาไปเราก็จะจากกันด้วยความทุกข์ใจ แต่ถ้าเรามีแฟนใหม่มีความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าแฟนเก่าเราจะอยู่กับเราหรือจากเราไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจึงต้องมาสร้างแฟนใหม่กันแฟนใหม่ก็คือความสงบนี่เองความสงบของใจ เป็นความสุขอย่างยิ่งเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นแฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าเมื่อก่อนนี้เราจะไม่รู้ว่าเราสามารถหาแฟนใหม่ได้เพราะไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้พวกเรารู้กันแล้วว่าเราสามารถ มีแฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าได้เพราะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธมีพระธรรมคําสอนมีพระอริยสงสาวรผู้ได้พกแฟนใหม่แล้วนำเอามาสอนพวกเราบอกพวกเราวิธีที่จะทําให้พวกเราได้มีแฟนใหม่กันได้มีแฟนที่แท้จริง แฟนที่จะไม่มีวันจากเราไปแฟนที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือความโชคดีของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้จักวิธีสร้างแฟนใหม่สร้างความสุขชนิดใหม่ให้กับพวกเรา ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์เราก็จะอยู่กับแฟนเก่าแล้วก็จะต้องทุกกับแฟนเก่าเวลาที่เราต้องพัดภาคจากแฟนเก่าไปแล้วเราก็จะไปหาแฟนเก่าอีกเช่นหลังจากที่เราตายไปแล้วเราพัดภาคจากราภยศสารเสริญ ภา พ, พาพจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วเราก็กลับมาหามันใหม่กลับมาเกิดใหม่พอมีร่างกายอันใหม่เราก็มาหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วก็มาทุกเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มห า, าลาบยศเสริญมหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วพอตายไปใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทําไว้ ในขณะที่หาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าหาได้ด้วยการกระทำบาปเราก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วได้ทำบุญเราก็จะได้ไปสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่ เพื่อมาหาแฟนเก่าหาลาภยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกร่งกายใหม่เราก็จะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะบอกเราว่ามีแฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าที่เราไม่ต้องไป ทุกไปวุ่นวายใจเหมือนกับการมีแฟนแฟนเก่าการมีแฟนเก่านี้เราต้องทุกข์เราต้องวุ่นวายกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาแล้วก็มาทุกข์มาเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียกับการพลาดพลาด จากลาบยศรเสิริน จ, จากความสุขทางตาหูจมูกร่างกายไปแต่ความสุขใหม่คือแฟนใหม่ของเรานี้จะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันหมดจะไม่มีวันสิ้นพอเราได้แล้วจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าและพระอาจานตสาวกทั้งหลายท่านได้พบกับแฟนใหม่ ท่านมีแฟนใหม่ท่านมีความสุขที่เรียกว่าบรมังสุขขังบรมมังสุขความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาท่านจึงเอาความสุขนี้มาบอกพวกเราให้พวกเรามาหาความสุขแบบใหม่กันดีกว่าความสุขแบบเก่า พรความสุขแบบกล่าวนี้มันคุกเข้าไปด้วยน้ําตาคุกเข้าไปด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายใจด้วยความเครียดด้วยความกลัวด้วยความวิตกกังวลต่างๆไม่เหมือนกับความสุขใหม่นี้ที่เป็นความสุขที่มีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบาย ถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบใหม่ได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าเพื่อเอามาสำรองรอเวลาที่แฟนเก่าเราจากเอาไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ว้าเหวเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำตามวิธีที่ท่านปฏิบัติกันทำตามที่ท่านสอนแล้วเราก็จะได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าได้ความสุขใหม่ที่ดีกว่าความสุขเก่าการที่เราจะได้ความสุขใหม่นี้เราก็ต้องทำ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาและได้ทรงสอนให้พวกเรากระทำกันก็คือให้เราทำทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราภาวนากันเพราะนี่เป็นวิธีที่จะสร้างแารใหม่ให้เกิดขึ้นสร้างความสุขชนิดใหม่ให้เกิดขึ้น ที่จะให้ความสุขกับเราไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดการทำทานก็คือการเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินไปที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเอาเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาชีวิตร่างกายของพวกเรา คือมีไว้เพื่อซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เ, เงินทองนี้มีไว้เพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่ควรเอาเงินทองนี้ไปใช้อย่างอื่นไปใช้ตามความอยากเพราะถ้าเอาไปใช้ตามความอยากก็เป็นการสร้างภบสร้างชาติ สร้างความทุกข์เป็นการไปหาแฟนเก่ากันไปหาแฟนเก่าที่จะต้องทําให้เราว้าวเวยเศร้าส้อยหง่อยเหงาทาให้เราเสีย อ, อกเสียใจเชเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือเอาเงินทองเพื่อไปซื้อลาบยศสรรเสริญ มีเงินก็เอาไปลงทุนเพื่อที่จะได้มีเงินเพิ่มมากขึ้นเราคิดว่ามีเงินมากๆแล้วจะมีความสุขแล้วพอมีเงินมากก็เอาไปซื้อยศถาบรรดาศัก์ไปซื้อตําแหน่งต่างๆเช่นไปหาเสียงไปเลือกตั้งก็ต้องใช้เงินทองต้องลงทุนเพื่อที่จะได้เป็นนา เป็นสอสอหรือเป็นอะไรก็ตามที่เขามีการเลือกกันเพื่อที่จะได้มีเกียรติมีหน้ามีตาแล้วก็มีอานาจมีวาสนาที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและหาสรรเสริญให้ผู้อื่นเขายกย่อง เยือนยอให้เขาให้รางวี่รางวัลอะไรต่างๆหรือไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกอิ่นกายเช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูมหัรสยไปร้องลำทำเพลงการใช้เงินทองแบบนี้ เป็นการซื้อแฟนเก่าหาแฟนเก่าที่จะทำให้เราต้องเสียอกเสียใจต่อมาเวลาที่เราเสียแฟนเก่าไปหรือไม่สามารถหาแฟนเก่าได้เราก็จะเสียอกเสียใจแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขแบบนี้ ไปซื้อความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายไปซื้อลาบยศสรรเสริญให้เราเอามาซื้อความสุขที่จะทำให้ใจเราสงบดีกว่าก็คือการทำบุญทาทานนี้ออเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนออซื้อของไปให้เขาซื้ออาหาร ซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องนุงหม่มซื้อยารักษาโรคหรือสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างวัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วเราก็จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันอันนี้จะเป็นความสุข ที่แท้จริงกว่าเพราะว่าจะทำให้เรามีความสงบใจจะทำให้เราลดความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพธลงไปได้อันนี้เป็นขั้นแรกในการหาความสุขทางใจหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ต้องทําบุญทําทานอย่าเอาเงินทองไปซื้อของหรือไปทําอะไรตามความอยากต่างๆเพราะจะทําให้เราต้องหามาอยู่เรื่อยๆต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเพราะว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วแทนที่จะอิ่มจะพอกับมี ความอยากเพิ่มมากขึ้นอยากจะใช้เงินซื้อของมากขึ้นใช้เงินไปเที่ยวมากขึ้นก็จะทำให้เราต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นความสุขที่ได้มาก็หมดไปแล้วเดี๋ยวพอร่างกายตายไปก็ต้องจากลาบยศเจริญจากความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแต่ถ้าเราเอาเงินทองไปทําบุญทําทานจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มใจจะทําให้เราไม่อยากที่จะต้องไปหาความสุขทางลาบยศสรรสเสญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขทางราหูจมุกลิ้นกายทางราบยศสรรเสริญเราก็จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจกันมาหาแฟนใหม่กันการมาหาแฟนใหม่เราก็ต้องมารักษาศีลแตกกัน การรักษาศีลแปลก็เพื่อหยุดระงับการหาความสุขแบบเก่านั่นเองการไม่ไปหาแฟนเก่าคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารตามความอยากรับเพียงแต่รับพอให้พอกับความต้องการของร่างกายเช่นรับประทานวันละมื้อก็พอหรือถ้าจะรับประทาน สองมือก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ยุติเรื่องการรับประทานอาหารพอร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้วสามารถอยู่ได้โดยไม่ตายอย่างแน่นอนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแน่นอนจากการขาดอาหารเพราะการรับประทานอาหารวันละมือสองมือนี้ก็พอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว อย่าไปเสียเวลากับการไปรับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะเป็นการหาความสุขจากแฟนเก่านั่นเองหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอันนี้เราก็ต้องยุติการไปหาแฟนเก่าด้วยการาด้วยการรับประทานอาหารมากเกินไป ลับประตานอาหารตามความอยากแล้วเราก็ไม่ไปหาแฟนเก่าทางตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่ไปหาความสุขจากมหัรสพบันเทิงต่างๆไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายด้วย น้ำมันน้ำหอมด้วยเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปหลับนอนพอกับความต้องการของร่างกายก็พอแล้วคือคืนละสีห้าชั่วโมงนี้ก็พอต่อความต้องการของร่างกายถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้ว พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นเพราะมันสบายก็จะหาความสุขจากการหลับนอนต่อไปอีกสามสี่ชั่วโมงหรือ4ีห้าชั่วโมงก็จะทำให้ไม่มีเวลามาหาแฟนใหม่ไม่มีเวลามาทาใจให้สงบกันผู้ที่อยากจะมีแฟนใหม่อยากจะสร้างแฟนใหม่จึงจำเป็นจะต้องรักษาสีนแตกกัน ศีลห้านี้ไม่สามารถที่จะห้ามใจไปหาความสุขกับแฟนเก่าได้เพราะศีลห้าไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันศีลห้าเพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราแล้วก็ไม่มีศีลหกศีลเจ็ดศีลแปดศีลห้าก็มีเพียงห้าข้อเท่านั้นก็จะไม่สามารถ ป้องกันไม่ให้ใจไปหาแฟนเก่าได้แล้วเขจะไม่ไปหาแฟนใหม่ถ้าไปหาแฟนเก่าก็จะไม่ไปหาแฟนให ม, ห ม, หใหม่คนที่ถือสีหน้านี้จึงไม่ไปหาแฟนใหม่กันจะไปหาแฟนเก่าเสียเป็นส่วนใหญ่เช่จนจะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนจะหาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากตามความต้องการ จะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไปตามสถานท่องเที่ยวต่างๆจะเสริมความงามด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าท า, าปากใช้น้ามันน้าหอมต่างๆมาสร้างความสุขให้กับใจแล้วก็จะนอนให้มากที่สุดอยากจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนไปอันนี้คือสิ่งที่ศีลห้า เปิดโอกาสให้กระทำได้ถ้าอยากจะหาแฟนใหม่คืออยากจะมาทําใจให้สงบเล้ก็ต้องมาถือศีลแปดกันห้ามไม่ให้ไปหาแฟนเก่าให้มาหาแฟนใหม่โดยการมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องการจะเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้นั้นจําเป็นต้องไปอยู่คนเดียว ไปอยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่จะมาลบกวนสติเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆบุคคลต่างๆถ้าไปอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ก็จะดึงใจให้ไปคิดปุงแต่งไม่ให้ใจสักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปุงแต่งจึงต้องไปอยู่ในที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ห่างไกลจากบุคคลต่างๆเพื่อจะได้ไม่มีใครมาดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปสร้างความอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปเสพความสุขกับแฟนเก่าก็คือไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปเสพคนนั้นคนนี้จึงจงเป็นจะต้องปรีกุิเวก อยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้มีเวลามาควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยไม่ปล่อยให้คิดไปตามความอยากเพราะถ้าคิดไปทางความอยากแล้วใจก็จะไม่สบายใจจะงดจิดจะทนอยู่ตามลาพังไม่ได้จะต้อง รักษาศีลแปดไม่ไหวถ้าเกิดความอยากแล้วเดียวก็ต้องอยากจะไปหาความสุขแบบเก่าหาความสุขทางตาหูจบูกเล่นกายหาความสุขกับคนนั่นคนนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้ไม่สามารถยับยั้งการไปหาแฟนเก่าได้ถ้ากลับไปหาแฟนเก่า ก็จะไม่มีแฟนใหม่จะไม่ได้แฟนใหม่ก็จะต้องกลับไปทุกแบบเก่าทุกเวลาที่มีการทัดพากจากแฟนเก่าไปดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่ต้องการแฟนใหม่ความสุขแบบใหม่นี้จำเป็นจะต้องมีก็คือต้องเจริญสติให้มากๆต้องสามารถควบคุมความคิด ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถึงบุคคลต่างๆถึงลาบยศสรรเสริญถึงรูปเสียงกล็นลดต่างๆเพราะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวความอยากมันจะตามมาทันทีให้หยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการเจริญสติการเจริญสตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันมีสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมาฐานสี่สิบ ในกลุ่มของกรรมฐาน40นี้ก็มีอนุสติสิบก็คือมีการการสร้างสติด้วยการใช้วิธีลำเลิกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นพุทธานุสติก็ให้ลาเลิกถึงพระพุทธเจ้าหรือชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธธรรมานุสติก็คือธรรมโมสังคานุสติก็คือสังโฆ เืยจะเราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณก็ได้เช่นที่เราสวดมนต์กันนี่ความจริงก็เป็นการเจริญกรรมฐานเป็นการเจริญส ม, มถะภาวนาเวลาเราสวดบทพระพุทธคุณเราก็กำลังเจริญอนุสติพุทธานุสติแล้วเราสวดบทธรรมคุณก็กำลังจะเจริญธรรมานุสติ สวดบทสังฆคุณก็กำลังเจริญสังขารนุสติแต่เราเจริญน้อยไปเราสวดเพียงรอบเดียวเท่านั้นสวดจบแล้วก็จบไปเลิกกันความจริงเราต้องสวดไปเรื่อยๆสวดเป็นชั่วโมงไปเลยใจฉึงจะได้รับประโยชน์จากการสวดถ้าสวดกันเพียงรอบเดียวเสร็จแล้วก็กลาบแล้วก็เลิกแล้วก็ปล่อยให้ใจ ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความสงบก็ยังไม่เกิดถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากการเจรณาอนุสติไม่ว่าจะเป็นพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีหรือการสวดบทพระพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณเราต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบถึงจะหยัดถึงจะหยุดสวดได้น เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราต้องรับประทานไปเรื่อยๆจนรู้สึกอิ่มขึ้นมาแล้วไม่อยากจะรับประทานแล้วเราถึงจะหยุดรับประทานอันนี้ก็เหมือนกันการเจริญสตินี้ก็เพื่อทำให้ใจเราว่างใจเราอิ่มใจไม่คิดปรุงแต่งถ้าใจหยุดคิดปรุงแต่งเราก็หยุดเจริญพุทโธได้ถ้าใจไม่คิดสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆ ทำอะไรก็สักแต่ว่ารู้กำลังเดินก็สักแต่ว่ารู้ว่ากำลังเดินกำลังรับประทานอาหารก็สักแต่เรรู้ว่ากำลังรับประทานอาหารไม่ไปปรุงแต่งไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ต้องใช้ใช้คาบริกรรมเพราะไม่มีเพราะใจไม่ไปคิดอะไรใจอยู่เฉยๆ ใ, ใจอยู่กับความรู้สักแต่ว่ารู้ เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าใจไปคิดปั๊บแล้วเราต้องใช้พุโทโธดึงเอาไว้แล้วหรือใช้อย่างอื่นก็ได้ในอนุสติสิบนี้นอกจากพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็มีการรลึกถึงความตายก็ได้มรณานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ได้เรียกว่าอาณาปณสติ เล้วเลิกถึงร่างกายก็ได้เราดูการกระทาต่างๆของร่างกายเรียกว่ากายะกตาสติหรือจะดูอาการ32สองของร่างกายก็ได้ดูผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอันนี้ก็จังถือว่าเป็นการเจริญสติที่จะสามารถยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆให้หายไปได้ ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในความนิ่งอยู่ในความสงบถ้านั่งเฉยๆใจก็จะนิ่งสงบยิ่ ง, งกว่าอยู่ในอิเลยาบทื่นเพราะถ้ายังอยู่ในท่าเดินท่ายืนถ้าทำอะไรต่างๆใจยังต้องทำงานอยู่ยังต้องประครับประคองร่างกายแต่พอมานั่งแล้วในี่ใจก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องประครับประคองร่างกาย พอทาใจให้นิ่งไม่คิดปรุงแต่งใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้ารวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ก็จะได้พบกับแฟนใหม่ทันทีได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบทันทีพอได้สัมผัสกับแฟนใหม่แล้วก็จะไม่ไม่อยากจะไปกลับไปหาแฟนเก่าเพราะแฟนใหม่นี้ดีกว่าแฟนเก่า ถ้าเรารู้ว่าแฟนใหม่นี้จะไม่มีวันจากเราไปเพราะถ้าเราสามารถหาแฟนใหม่ได้แล้วเราก็จะสามารถรักษาแฟนใหม่นี้ให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆถ้าเรามีแฟนใหม่อยู่กับเราไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องกลับไปหาแฟนเก่าเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าแฟนเก่าเขาจากเราไปเขาทิ้งเราไป เราจะรู้สึกเฉยๆเวราเรามีแฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าแฟนใหม่ที่ให้ความสุขที่ดีกว่าแฟนเก่าเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกวิตกกังวลกับเรื่องของแฟนเก่าแฟนเก่าจะหายไปจะหมดไปเราก็เฉยๆราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจหมดดูกลิ้นกาย จะเสื่อมไปจะหมดไปจะไม่มีปัญหากับเราถ้าเรามีแฟนใหม่ถ้าเรามีความสงบภายในใจร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีปัญหาอะไรความแก่ความเจ็บความตายจะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่พระเจ้าสงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าใจมีความสงบแล้วจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาจริงๆแต่ถ้ายังไม่สงบนี้พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันนี้จะรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดา ใจจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพอคิดถึงความแก่ที่ไรคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไรคิดถึงความตายที่ไรเนคิดถึงการพลาดพลาดจากกันที่ไรใจจะรู้สึกไม่สบายทันทีเพราะใจยังยึดติดอยู่กับร่างกายยังยึดติดอยู่กับแฟนเก่าเนะยังพึ่งแฟนเก่าอยู่พอรู้ว่าแฟนแฟนเก่าจะต้องมีการจากไป ก็ทำให้ไม่สบายอกไม่สบายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีแฟนใหม่แล้วมีความสงบแล้วพอเราพิจารณาความจริงเกี่ยวกับความสุขที่เราได้จากแฟนเก่าเราก็จะเห็นว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันพัาดพากจากกันเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลดากจากกันนี้ มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่มีเกิดแล้วก็จะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปไม่มีใครมาสามารถยับยั้งมาห้ามได้แม้แต่ร่างกายของผู้วิเศษอย่างพระพุทธเจ้าพระอาจานย์ตถาวกทั้งหลายท่านก็ห้ามเรื่องของร่างกายไม่ได้ท่านห้ามได้เพียงแต่เรื่องของใจ ที่ห้ามให้ใจวุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายรักษาใจให้มีความสุขให้มีความสงบได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะถ้ามีความสุขมีความสงบทางใจแล้วสิ่งอย่างอื่นนี้จะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนี่คือการมาสร้างแฟนใหม่กันมามีแฟนใหม่กัน เราต้องมาสร้างด้วยการทำบุญทำทานเพื่อที่เราจะได้ยุติการใช้เงินการหาเงินเพื่อซื้อความสุขแบบเก่าซื้อแฟนเก่ากันเพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาศีลของนักบวชกันเราจะได้มีเวลามาปีกวิเวกมาภาวนากันมาเจริญสติกัน เพื่อทําใจให้รวมทําใจให้สงบพอใจรวมใจสงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญารักษาให้มันสงบอย่างถาวรเพราะว่าสตินี้เพียงแต่ทําใจให้สงบได้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ได้ทําลายเหตุที่ทําลายความสงบ เหตุที่จะมาทำลายความสงบก็คือที่เลตตอนหาความอยากต่างๆนี่เองความอยากต่างๆนี้ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะได้พบแฟนใหม่แล้วแต่ความอยากที่จะไปหาแฟนเก่าก็ยังมีอยู่พ่อออกจากสมาธิมาพ่อออกจากแฟนใหม่มาความอยากก็จะชวนให้กลับไปหาแฟนเก่าทันทีชวนให้กลับไปหา ลาบยศสรรเสริญชวนให้กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราจะไม่อยากกลับไปหาแฟนเก่าเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าแฟนเก่านี้เป็นทุกข์แฟนเก่านี้ไม่เที่ยงแฟนเก่าไม่ใช่เป็นแฟนที่แท้จริงของเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันอยู่ดีอยากกลับไปหาสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเลยให้อยู่กับสิ่งที่เป็นของเราดีกว่าก็คืออยู่กับความสงบนั้นพอเกิดความอยากแทนที่จะไปหาไปทําตามความอยากเราก็กลับไปนั่งสมาธิต่อไปเจริญสติต่อควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่อยากได้พอไม่ไปคิดถึงสิ่งที่อยากได้ก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากนแล้วก็ ใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปทําตามความอยากนี้เป็นการกลับไปหาความทุกข์ไม่ได้ไปหาความสุขความสุขก็ได้บ้างแต่ได้เดียเด๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะความสุขแบบเก่านี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองพอหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อทําลายความอยากต่างๆ เวลาอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสก็สอนใจว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นความสุขเดียวเดียวมันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปอยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากได้ลาบยศเสริสุกก็เช่นเดียวกันได้มาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปอยากไม่ให้สิ่งที่เรามีจากเราไปก็ไม่ได้เหมือนกันเช่นร่างกายของเรา สุขภาพของเราอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้อยากให้แข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ไม่ได้ไม่แก่ก็ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเราอยากไปอยากพรอยากแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากนอกจากได้ความทุกข์ทรมานใจจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ ปล่อยให้ร่างกายเขาแก่เจ็บตายไปโดยไม่มีความอยากแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนที่เราทุกข์กันนี้ทุกข์เพราะความอยากไม่ได้ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันแต่ทุกข์เพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาดจากกันนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยาก ต, าต่างๆ ให้กลับไปสู่ความสงบสู่ความว่างเข้าไปสู่ความสงบไปหาแฟนใหม่กลับเข้าไปหาแฟนใหม่ถ้าจะวิ่งไปหาแฟนเก่าต้องเลือกว่าต้องเอาแฟนใหม่ดีกว่าเอาแฟนเก่าทุกครั้งเวลาที่จะต้องเลือกทางต้องเลือกทางของแฟนใหม่เสมอเวลามีความอยากมาชวนให้ไปหาแฟนเก่าต้องบอกว่าไม่ไปไปแล้วทุกข์ แต่แล้วต้องมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกลับไปหาแฟนเก่าบางทีก็กลับไปไม่เจอก็ได้พออยากจะไปหาแฟนเก่าพอกลับไปหาแฟนเก่าไม่อยู่หรือเขาไปมีแฟนใหม่แล้วก็เสียใจได้หรือเขาไม่อยากจะให้เราไปหาเขาพอเราไปหาเขาเขาก็ไล่เราเราก็จะเสียใจ ให้คิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้อยู่กับแฟนใหม่เพราะว่าเวลาออกมาถ้าเผลอแล้วกิเลสตัณหามันจะมาหลอกให้เราเห็นว่าแฟนเก่าดีกว่าแฟนใหม่แต่เราต้องจำไว้ว่าแฟนใหม่ดีกว่าแฟนเก่าเพราะเวลาใจสงบแล้วนี้มันมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากแฟนเก่านี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องหมันเจริญอยู่เรื่อย ต้องมันเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากแฟนเก่าแล้วให้คิดถึงความสุขที่ได้จากแฟนใหม่ว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเราจะได้ตัดสินใจถูกทุกครั้งที่มีตันหาความอยากมาชวนให้เรากลับไปหาราบยศสรรเสริญให้กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้กลับไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ชัด แล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์มากกว่าการไปหาความสุขพอเรารู้ว่ากลับไปหาความทุกข์เราก็จะไม่ไปเรากลับมาหาความสุขต่อมาทำใจให้สงบหาความสุขแบบใหม่มาอยู่กับแฟนใหม่ดีกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกครั้งที่มีความอยากที่จะชวนให้เรากลับไปหาแฟนเก่าต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับไปหาแฟนเก่าเพราะเราจะรู้ว่า เป็นการกลับไปหาความทุกข์นั่นเองนี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาอุบายของปัญญาต้องเห็นว่าลาบยศสรรเสริญเห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าไม่ใช่เป็นของเราจะต้องมีการจากเราไปสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน และเวลาเกิดการจากกันไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเวลาความสุขที่ได้จากเขาหายไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาต้องเห็นด้วยปัญญาแบบนี้เห็นแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากจะอยู่กับใครอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่กับความสงบเพราะความสงบนี้เป็นแฟนที่ซื่อสัตย์ที่จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวจะไม่มีวันจากเราไป จะไม่มีวันที่จะทำให้เราทุกใจเลยนี่คือวิธีการมาหาแฟนใหม่มามีแฟนใหม่มาสร้างแฟนใหม่กันด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตรัสรู้ได้กะทากันพระพุทธเจ้าท่านก็ทำทานท่านสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือซื้อความสุขต่างๆแล้วก็มาใช้ศีล ใช้การภาวนาเป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขแบบใหม่แล้วพอท่านได้ความสุขแบบใหม่ท่านก็ใช้ปัญญามาคอยกําจัดตัณหาความอยากที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดไปที่จะมาหลอกมาล่อให้กลับไปหาแฟนเก่าถ้าเราเห็นว่าแฟนเก่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากกลับไปหาแฟนเก่าอีกต่อไป ต่อไปความอยากต่างๆก็ไม่สามารถจะมาชวนให้เรากลับไปหาแผนเก่าได้เราก็จะอยู่กับแฟนใหม่ไปได้อย่างตลอดอย่างถาวรมีความสุขไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดความสุขของพระพุทธเจ้ากับของพระ อ, อนันตสาวกตอนนี้ก็ยังมีอยู่แม้ว่าท่านจะไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราแต่ใจของของท่านนี้มีความสุขมากกว่าใจของพวกเรา พอใจของท่านไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนใจของพวกเราถ้ายังติดอยู่กับแฟนเก่าเราก็ยังจะต้องทุกข์ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆตายไปแล้วก็กลับมาหาแฟนเก่าใหม่มาทุกข์กับแฟนเก่าใหม่มาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายใหม่มาทุกข์กับการพัดพากจากกันจากกันใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนะ จนกว่าเราจะได้พบแฟนใหม่เราเลิกไปหาแฟนเก่าทางนั้นเราถึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและาวรอนต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเวาหาปุราปะเปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจ a ตุสัพเพโปริณตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิเดียวิวัจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตาบาโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธานศิลิสานิจังุทธาปจายโนจตตารุธัมมาวาทานติอายุวโนสุขังพาลาง ช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคําถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นแล้วจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ ทางพิธีกร อ, อ่านคำถามที่ส่งมาจากทางบ้านคำถามจากทางบ้านจากท่านบีดูให้ดีคำว่ารักษาใจทำอย่างไรครับแล้วถ้าทำถูกทำไปเรื่อยๆอะไรจะเป็นตัววัดระดับจิตใจครับคือการรักษาใจมันก็มีหลายระดับด้วยกันระดับอนุบาลก็คือการทำบุญทำทานนี้ ก็เป็นการรักษาใจอย่างหนึ่งคือทำให้ใจมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เป็นการรักษาใจที่ง่ายที่สุดคือแทนที่จะเอาเงินไปซื้อขนมกินไปเที่ยวไปเล่นก็เอาเงินไปทำบุญก็จะได้ใจที่ดีใจที่ลดความอยากลบความเห็นแก่ตัวลดความ โลภได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นการรักษาใจขั้นเบื้องต้นขั้นที่สูงก็คือการรักษาสี่ห้าการรักษาสี่ห้าก็จะทำให้ใจเราไม่ต้องทุกข์กับการกระทาผิดต่างๆถ้าเราไปทำบาปใจเราจะไม่สบายมีความทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นขั้นที่สองขั้นที่สูงขึ้นยากกว่าขั้นที่หนึ่ง แล้พอเราได้ขั้นที่สองเราก็ขึ้นไปสู่ขั้นที่สามก็คือการขั้นภาวนามะภาวนาก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องกากับรักษาใจไม่ให้ใจไปคิดในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาหยุดความคิดที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็สอนใจให้คิดไปในทางที่ดีที่จะให้มีแต่ความสุขแก่ใจ ก็เป็นขั้นของภาวนาก็ต้องใช้สติเพื่อทำให้ใจสงบเป็นสมาธิใจสงบเป็นสมาธิก็จะมีความสุขหลังจากมีความสุขจากความสงบแล้วก็ใช้ใจให้คิดไปในทางปัญญาให้คิดปล่อยวางให้คิดการไม่การไม่หาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา ได้อะไรมาไม่ช้า ก, ก็เร็วก็จะต้องมีการจากกันนี่คือการรักษาใจขั้นต่างๆเราสามารถรักษาขั้นไหนได้ก็รักษาไปคําถามจากคุณซูซี่พระอาหารหันต่บรรลุแล้วยังมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงความคิดถึงความอะไรเช่นนี้ยังเกิดกับพระอาหารหันต์ได้อีกไหมคะพระอรหนมีใจที่บริสุดธิสอาดจาง อารมณ์ต่างๆความรักความชังความกลัวความหลงความโลภความโกรธความหลงนีความอยากต่างๆจะไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าหรือใจของพระาหลานทั้งหลายคำถามจากคุณภาวนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมารมณ์เป็นอาการของจิตใช่ไหมคะใช่มันอยู่ในจิตครเป็นอาการของจิตมากับจิตคำถามจากคุณไฟมินิต ข้อหนึ่งขอหลักการเจริญกายยัตาสติครับกายยักษ์ตาสติก็คือให้เรามีสติจดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเหมือนเราเฝ้านักโทษถ้าเราเป็นยามเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ต้องคอยเฝ้าดูผู้ต้องโทษไม่ให้ฆ่าจากสายตาเราถ้าเราไปเผลอไปทําเรื่องอื่นปล่อยให้นักโทษอยู่เฉยๆเขาอาจจะหลบหนีไปได้ครับ ในการเจริญสติอยู่ที่ร่างกายก็คือให้เฝ้าดูทุกอิเลยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกําลังจะทําอะไรก็ให้อยู่ให้เฝ้าดูอิเลยาบทนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆเช่ น, นเวลากําลังรับประทานก็ให้อยู่กับการรับประทานเวลา อาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องที่สำคัญจำเป็นจริงๆก็หยุดการกระทำทางร่างกายเช่นนั่งเฉยๆด้ ย, ยืนเฉยๆแล้วก็คิดถึงเรื่องงานต่างๆที่เราต้องไปทำพอเราคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมาเฝ้าดูร่างกาย ในขณะที่ร่างกายจะไปเตรียมตัวไปทําเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำํำก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปตลอดเวลาให้อยู่กับร่างกายไปเพียงอย่างเดียวไม่ส่งใจไปหาคนอื่นไม่ไม่ส่งใจไปหาเรื่องอื่นไม่ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เรียกว่าการมีสติอยู่กับกายเรียกว่ากายกตาสติข้อที่สองขอหลักการเจริญปัญญา หลังจากออกจากการนั่งสมาธิหรือออกจากอัปนาสมาธิแล้วครับก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะไม่ใช่เป็นของเราเช่นร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่เป็นของเราเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้มันจากเราไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันต้องจากเราไปและเราห้ามมันไม่ได้ เราก็อยากไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราพอมันเป็นพอมันจากเราเราก็จะไม่ทุกขกับมันคำถามจากคุณสัญญาลูกผู้ชายผมกำลังหัดนั่งสมาธิอยู่มผมมีความสงสัยอยากถามครับคือหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราควรแผ่เมตตาให้กับสิ่งต่างๆหรือไม่ครับ ถือทำก็าก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ตอนนี้จิตผมยังไม่เคยรวมเป็นสมาธิเลยสักครั้งเลยครับผมคือการแผ่เมตตานี้เป็นการเป็นเรื่องปกติของเราที่เราควรกระทำไม่ว่าเราจะ อ, าอยู่ที่ไหนเวลาใดแต่การแผ่นี้จาเป็นจะต้องมีผู้รับถึงจะแผ่เพราะการแผ่ก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่น ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไปนั่งสวดนี่ยังไม่ได้แผ่การสวดนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เช่นเราสวดสัพเพสตตาอเวลาโหนตุนี่เป็นการสวดเฉยเป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนนั้นคนนี้เวลาที่จะแผ่จริงๆต้องเวลาที่พบปะกันเวลาพบปะกับผู้คนเนี่ยเช่นเจอใครก็ยิ้มให้กันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วะ ทักทายกันถามสารทุกข์สุขดือกันมีข้าวของแบ่งปันกันแจกจ่ายกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาเวลาโกรธกันก็ให้อภัยกันอย่าถือโทษโกรธเคืองกันนี่เรียกว่าให้อภัยแผ่เมตตาการแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันถ้าเราอยู่คนเดียวนี้ไม่ได้แผ่ให้ใครไม่มีคนรับไม่มีผู้รับ เป็นเพียงการเป็นการเตือนใจสอนใจให้เราแผ่เมตตาเวลาที่เราเจอกันถ้าเราไม่สวนไม่สอนใจเวลาเจอกันนี่เวลาโกรธเราก็จะห้ามหันกันเลยเวลาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ยอมยิ้มให้กับใครไม่ยอมทักทายไขหน้าบึ้งตึงนี่แสดงว่าเราลืมไปว่าเราต้องแผ่เมตตา เพราะว่าการแผ่เมตตานี้มีคุณประโยชน์มากจะทําให้เราเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะทําให้เรามีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายและเราจะไม่ตายจากการห้ามหันของผู้อื่นเราจะไม่ตายด้วยสตราวุธไม่ตายไม่ตายด้วยอายาภิษต่างๆจะตายแบบธรรมชาติ ตายแบบคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความโกรธเกลียดความเกรียดแค้นให้กับใครเรามีแต่สร้างความสุขให้กับผู้อื่นก็เราจะไม่มีผู้อื่นที่จะคิดมาทำร้ายเรานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการแผ่เมตตาและขณะเดียวก็จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วตายไปท่านก็บอกว่าจะได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอน คำถามจากคุณกฤชนัตข้อหนึ่งถ้าเราทําอาณาปณสติกําหนดหายใจเป็นกรรมฐานแต่เรายังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้แล้วตายไปเป็นเทวดาเราจะต่อกรรมฐานเดิมยังไงคะในเมื่อเทวดาไม่มีลมหายใจก็กลัมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทําใหม่การเป็นเทวดาก็เที่ยไปเที่ยวก็แล้วกันหยุดการภาวนาไว้ชั่วคราวไปรับผลบุญก่อน ไปท่องเที่ยวกันเหมือนเราอยู่เป็นมนุษย์นี่บางทีเราก็ไปเที่ยวกันไม่ใช่เลยเราไม่ได้ไปวัดนั่งภาวนากันตลอดเวลาบางเวลาได้ตั๋วฟรีมีเพื่อนส่งเงินมาให้ไปเที่ยวเอ๋อแล้วก็หยุดภาวนาชั่วคราวไปเที่ยวซะก่อนแล้วค่อยกลับมาทําภาวนาต่อแต่ก็อยู่ที่เราถ้าเราอยากจะทําต่อเป็นเทวดาก็ยังภาวนาได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าได้ เวลาที่มีพาาาระอรหันต์พระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงธรรมก็ไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมจากการฟังธรรมก็จะบรรลุธรรมได้ อ, อ, อ, อ, อย่างพระพุทธมารดาก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระโสโดาบันขึ้นมาพใะ น, นั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้จะไปเป็นเทวดาหรือเปล่าอาจจะไปเป็นผีก็ได้ถ้ามามัวสงสัยอย่างนี้จะไปเป็นผีมากกว่า งั้นอย่าไปสงสัยรีบภาวนาไปให้มากๆตอนนี้แล้วผลของการภาวนานี้จะส่งให้เราไปที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับอย่างแน่นอนข้อที่สองถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐานไว้แล้วตายคากรรมฐานกองนี้แล้วไปพิจารณาต่อ ย, อยังไงคะร่างกายเทพหรือพรมเป็นกายทิพย์ไม่มีสิ่งปฏิกูลเหมือนมนุษย์ค่ะก็ต้องรอให้กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ไง เวลาไปเป็นเทศเป็นโมก็ไปเที่ยวพักพักการทํางานไว้ชั่วคราวพักการภาวนาไปชั่วคราวไปรับผลบุญก่อนพอผลบุญหมดแล้วกลับมาจากเที่ยวก็กลับมาทํางานต่อกลับมาพิจารณาสุภาษต่อคําถามจากคุณนันตลัตพระที่รู้วาลาจิตจําเป็นไหมคะว่าต้องได้ขั้นใดขั้นหนึ่งในพระอริยะไม่เกี่ยวกันเรื่องของ ความรู้ความสามารถพิเศษเช่นอ่านวาลจิตตาทิพูทิพและเลิกชาติได้นี่อยู่ในขั้นของสมาธิไม่ได้อยู่ในขั้นของปัญญาผู้ที่จะบรรลุทาอริยเจ้าได้จะต้องอยู่ในขั้นปัญญาต้องต้องมีสมาธิก่อนแต่ก็ไม่ต้องมีสมาธิแบบที่เป็นที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารคืออ่านวาลจิตของผู้อื่นเม่อิพูทิพตาทิพ แต่ต้องมีสมาธิแบบสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิถึงจะสามารถมีกำลังที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อตัดตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ตัดตัตัดตัณหาความอยากได้ก็จะได้เป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสูงสุดโดยที่ไม่ต้องมีความสามารถพิเศษไม่ต้องอ่านวาลจิตของผู้อื่นไม่ต้องรับลึกชาติได้ไม่ต้อง มีตาที่ผูทิ่แต่ต้องมีจิตที่สงบที่เรียกว่ามีอุเบกขาผู้ที่จะไปทางอาริยมรรคอริยผลนี้ต้องมีอุเบกขาสมาธิขั้นที่มีอิทธิฤทธินี้มักจะไม่มีอุเบกขาเพราะจิตไม่นิ่งไม่สงบจิตออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆจึงไม่ควรไปทางนี้เวลาพาวนาเกิดเรามีนิสัยมีวาสนาที่จะไปในทางนี้ ให้ดึงกลับมาให้ดึงกลับเข้าไปสู่อัปปนาเข้าสู่อุเบกขาถ้าเราอยากจะไปทางอริยมรรยพลคำถามจากคุณโสพลขอความเมตตาแนะนำทมสำหรับบุตรชายอยู่ชั้นมอหนึ่งเรื่องการดำเนินชีวิตในช่วงวัยรุ่นที่มีความสุขจากการเล่นกีตาร์โดยคาดหวังว่าจะเล่นเป็นดนตรีที่มีชื่อเสียงในอนาคตโดยเห็นว่าเล่นหรือซ้อมแล้วมีความสุข ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแตพ่พฤติกรรมคือใช้เวลาเพลินจนเลยเวลาที่สมควรจะพักเข้านอนซึ่งโดยรวมละเลยสิ่งที่ควรทำเช่นอาบน้ำทบทวนสื่อสิ่งที่เรียนมาจากตารางสอนที่จะเรียนในวันรุ่งขึ้นแต่ต้องตื่นมาแบบไม่สดชื่นเล่งรีมในตอนเช้าหงุดหงิดโมโหง่ายเมื่อไม่ได้ดั่งใจมีใบหน้ามองคำ้ำสิวเต็มหน้าดูหน้าแก่กว่าวัย ผู้ปกครองก็ได้แต่แนะนำเรื่องให้มันทาให้มันพอดีพอเหมาะพ่อแม่ต้องตักเตือนได้แต่เด็กก็โทรสายจริตก็ให้เหตุผลตามภูมิธรรมของเขาว่าความสุขของเขาเขาเลือกเองได้ไม่เดือดร้อนใครเงียบไปไม่ต้องพูดลาคาญในใจก็อยากจะตอบตอบว่าความสุขคือความสงบใจที่มีโอกาสเล่นก็เล่นได้ ไม่มีโอกาสหมดเวลาหรือมีงานที่ข้างค้างอยู่ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ไปทำสิ่งที่ไม่ชอบใจแทนเพราะรู้ว่าต้องทำเช่นอ่านหนังสือกิจวัตรประจำวันโดยฝึกฝืนความรู้สึกอยากของตนเองให้ได้เพื่ออนาคตจะได้ทำงานใหญ่คือสะสมอริยทรัพย์ภายในที่กล่าวมาขอคำแนะนำให้ถึงใจเด็กเรื่องต่างๆดังนี้คือ ข้อที่หนึ่งความสุขที่เด็กเข้าใจและให้เหตุผลนั้นถ้าเข้าใจถูกแล้วควรเป็นลักษณะแบบไหนครับก็จะเป็นแบบไหนนะทำไมเข้าใจเหมือนกันเนี่ยความสุขก็ถ้าเป็นความสุขเขาเข้าคิดว่าเป็นความสุขก็เป็นความสุข ข, ของเขาความสุขมันก็มีสองรูปแบบอย่างที่พูดกันความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม ความสุขทางโลกมันก็ประเดียวประดาวเดี๋ยวมันก็หมดไปความสุขทางธรรมก็ความสุขที่เกิดจากความสงบในเมื่อเขายังไม่สามารถเข้าถึงความสุขทางธรรมได้ก็ต้องให้เขาสงบไปสุกกับความสุขทางโลกไปทางตาหูจมูกนิ้วกายของเขาไปเพียงแต่ว่าเขาควรจะมีขอบมีเขตรู้จักรู้หน้าที่รู้เวลาเพราะว่ามันนอกจากการหาความสุขแบบนี้แล้วยังมันต้องมี หน้าที่หาความสุขทางร่างกายคือทางปากท้องด้วยเพราะต่อไปนี้พ่อแม่จะไม่มีปัญญาที่จะมาเลี้ยงดูให้เขามานั่งเล่นกีตาร์หาความสุขของเขาได้เขาก็ต้องไปหาความสุขทางร่างกายไปหาอาหารไปหาที่อยู่อาศัยไปหาอะไรต่างๆถ้าเขาไม่มีวิชาความรู้เขาไม่มีความสามารถเขาก็จะไม่สามารถไปหาความสุขเหล่านี้ได้เขาก็จะไม่มีเวท ความสามารถที่จะมห า, าความสุขจากการเล่นกีตาร์ได้ถ้าปากมันหิวท้องมันหิวมันก็ไม่มีใจอยากที่จะมานั่งเล่นกีตาร์มันต้องให้ปากท้องอิ่มเสีก่อนดังนั้นก็ต้องไปต้องรู้จักเวลาแบ่งเวลาให้ไปทําหน้าที่ที่ต้องทําเช่นตอนนี้เรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้ต่อไปเวลาเรียนจบแล้วจะได้ไปหางานทําได้มีไรายได้ ก็จะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อิ่มเมื่อปากท้องอิ่มแล้วก็จะได้มีมีกําลังที่จะมานั่งร้องเพลงนั่งเล่นกีตาร์ต่อไปข้อที่สองควรใช้ธรรมะแง่มุมไหนในการปรับทิฐิเพื่อเปลี่ยนความเห็นเด็กให้ถูกต้องครับก็ก็สอนเขาสอนเขาในสิ่งที่ถูกที่ดีที่ที่ควร ส่วนเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของเขาญาติเยียดให้กันไม่ได้ข้อที่สกรรมและวิบากรรมของบุตรที่มีโทสจริตที่ใช้คำพูดไม่ดีกับพ่อแม่จะเป็นอย่างไรครับก็จะต่อไปก็จะมีลูกที่มีโทสะจริตที่จะใช้วาจาไม่ดีกับตนนั่นะทำอะไรกับใครก็จะได้รับผลอันนั้นกลับมาหาเรา ข้อที่สี่การเล่นดนตรีได้ประโยชน์และโทษทางโลกก็ทำอะไรบ้างครับส่วนทางธรรมจะสามารถปรับให้เป็นประโยชน์เอื้อแก่กันได้อย่างไรครับมันก็เป็นความสุขทางโลกอะทางตาหูจมูกลิ้วกายมันก็เป็นความสุขชั่วคราวต่อไปแก่เล่นไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขส่วนประโยชน์ที่จะได้จากการเล่นกีตาร์มันก็มันก็ต้องใช้สติ คนที่จะทําทอะไรมันก็ต้องใช้สติถึงจะทําทําได้มันก็ได้ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเอาสติไปใช้กับทางโลกแทนที่จะเอาไปใช้กับทางธรรมถ้าเอาสตินั้นมากํากับควบคุมความคิดได้ก็จะทําให้เกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาได้ข้อที่ห้าธรรมะสําหรับผู้ปกครองในการดูแลอบรมบูตรในช่วงที่เด็กเริ่มเข้าวัยรุ่น ที่มีความคิดเป็นของตนเองควรใช้สติและการภาวนาในหัวข้อทำอะไรที่เป็นหลักครับสำหรับที่ผมระลึกอยู่เสมอคือพรมวิหารสี่สับปุริศธรรมเจ็ดเรื่องกรรมก็คือการใช้เหตุให้ผลพอเด็กโตแล้วจะไปสั่งให้เขาทำตามที่เราสั่งเขาจะไม่ยอมรับต้องมีเหตุมีผลก่อนว่าทำทำไมต้องทำ เมื่อเราบอกเขาถ้าเขาถามแล้วก็บอกอธิบายเข้าไปว่าเพราะทำแล้วจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้จะได้ไม่มีโทษตามมาอะไรเป็นต้นก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลจะใช้แบบเผด็จการไม่ได้นะถ้าตอนเด็กๆที่เขายังไร้เดียงสาอยู่ตอนนั้นต้องใช้แบบเผด็จการสั่งให้เขาเดินสั่งให้เขานอนสั่งให้เขานั่งแต่พอเขาโตแล้วเขาเริ่มอยากจะรู้ว่าทาไมต้องทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ เราก็ต้องใช้เหตุผลบอกเขาต่อไปก็ขอโอกาสนะครับพระอาจารย์มีอยู่สัก3ามสี่คำถามนะครับก็จากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองนะครับระหว่างที่ปฏิบัติสมาธิไปได้สักระยะหนึ่งจิตจะค่อยๆดิ่งลงไปดิ่งลงไปเหมือนกับมมดอุโมงลงไป พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะไปโผล่ในเอที่ว่างเปล่าคล้ายๆกับอวกาศแต่เป็นว่างๆมืดๆตอนนั้นจิตก็จะรู้สึกอิ่มเอิบดีนะครับพอสักพักหนึ่งมันก็จะถอดออกมาอยากอยากถามว่าอควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อระหว่างพยายามประคองจิตให้อยู่ในความสงบตรงนั้นให้นานที่สุดหรือหรือ อถอนออกมาเพื่อพิจารณาไปในทางปัญญาดีครับถ้าเรายังไม่ชํานาญในการเข้าไปสู่ความสงบแบบนั้นก็พยายามทําแบบนั้นไปเรื่อยๆก่อนให้เกิดความชํานาญสามารถเข้าได้ตลอดเวลาได้อยู่ได้นานจนสามารถที่เราจะามีความมั่นใจว่าเราต้องการความสงบเมื่อไหรเราก็เข้าไปได้หลังจากนั้นพอจากความสงบก็ออกไปทางปัญญาได้ เพราะทางปัญญานี้จำเป็นจะต้องมีสองอย่างคือหนึ่งต้องมีอุเบกขาอุเบกขาก็จะได้จากการที่มันมีความสงบนา น, น, านความสงบที่ต่อเนื่องสองมีความสามารถที่จะระ ง, งับความฟุ้งซ่านเวลาพิจารณาทางปัญญาแล้วถลทะถลายออกไปทางกิเลสมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านได้ถ้าเกิดความฟุ้งซ่านถ้าเรามีความจนานาในสมาธิเราก็จะ ยุดความพุ่งซ่ากับเข้าไปในสมาธิได้ดะงนั้นก่อนที่จะออกทางปัญญาอย่างแบบเป็นเต็มรูปแบบก็ควรที่จะฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนแต่บางวละถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็ใช้ปัญญาก็ได้หรือถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้สมาธิก็ได้มีปัญหาวุ่นวายใจที่เกียจแก้มันก็พุโทโธพุโทโธกลับเข้าไปในสมาธิซะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะ แต่ถ้าใช้ปัญญาได้มันก็ดีเพราะมันจะได้หมดปัญหาไปเลยอันนี้ก็บางทีมันอาจจะมีตุกา ร, บ, ารบังคับให้ต้องใช้ปัญญาก็ใช้ไปถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้สมาธิไปก่อนอบ่อยครั้งที่ระหว่างที่ปฏิบัติสมาธินะครับผมจ ะ, ะพิจารณาหยิบยกธรรมะหลักธรรมบางอย่างเช่นธาตุขันหรืออายตนะ อสุภะหรือบางทีก็ดกูล่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลการพิจารณาแบบนี้เนี่ยอยากทราบความแตกต่างว่าจะเป็นวิปัสนาหรือวิปัสสนึกมันจะต่างกันยังไงครับถ้าเราทำเพื่อให้ใจสงบมันก็เป็นการทำเจริญสติด้วยด้วยกรรมฐานแต่ถ้าเราทำเพื่อให้เกิดปัญญานี่ จะเป็นวิปัสสนึกหรือวิปัสนาก็อยู่ที่ว่าเราหยุดความอยากได้หรือไม่เวลาเราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราหยุดมันได้ด้วยปัญญามันก็เป็นวิปัสนาถ้าหยุดไม่ได้ก็ยังเป็นวิปัสสนึกอยูออ่การปฏิบัติสติตามหลักของสติปัฏฐานสี่นะครับกายเวทนาจิตธรรมโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการพิจารณา การมองเห็นเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ค่อนข้างยากแล้วก็รู้สึกคลุมเครือไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าเวลามีโทสะหรือโลภะเกิดขึ้นหรือความอึดอัดคับข้องใจเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นเหมือนกับการอนุมานอารมณ์มากกว่าส่วนการพิจารณาในส่วนของกายกายานุปัสนาสติปทานเนี่ยนะครับจะรู้สึกถนัดแล้วก็ง่ายกว่า ถ้าเราพิจารณาเฉพาะในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวเลยจะสามารถเข้าถึงโสดาปติผลได้ไหมครับคือขั้นขั้นตอนของการเจริญปัญญานี่มันก็ต้องผ่านขั้นร่างกายไปก่อนเราถึงเข้าไปสู่ขั้นเวทนาเราถึงเข้าสู่ขั้นจิตขั้นอริยมรรผลสามขั้นแรกนี่มันต้องผ่านเรื่องของร่างกาย ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บที่เกิดจากร่างกายเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่สะทกสะทานใจก็ไม่หวั่นไหวใจก็เป็นอุเบกขาร่างกายจะตายใจก็เป็นอุเบกขาเพราะพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายมันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้สิ่งที่เราทาได้ก็คือ ทำใจเฉยสู้มันไปอย่างที่คำพูดที่ก็ว่าใจดีสู้เสือทาใจดีสู้เสือเสือมันมาถ้าเราอยู่เฉยเฉยมันไม่กัดเราหรอกถ้าเราไปวิ่งหนีมันจะไล่กัดเราความทุกข์มันจะไม่เกิดถ้าเราไม่มีความอยากถ้าเรามีความอยากให้มันไม่เจ็บให้มันไม่ตายนี่มันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีดังนั้นเราต้องใจปัญญาสอนใจให้อยู่ในอุบเบกขาให้อยู่เฉย ทำอะไรไม่ได้กับความเจ็บความตายถ้าทําได้มันก็จะผ่านขั้นโสดาบันไปได้แต่ขั้นโสดาบันนี้ยังติดอยู่กับเรื่องของร่างกายยังมีเรื่องของร่างกายที่ยังต้องปล่อยอยู่คือความสวยงามของร่างกายของคนอื่นที่เราเห็นแล้วทาให้เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเกิดการมาราคะขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องพิจารณาอสุภะเป็นละ พิจารณาความสกปรปกความไม่สวยงามของร่างกายดูในสภาพต่างๆของร่างกายเช่นตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายเป็นซากศพหรือดูสภาพภายในของร่างกายสิ่งที่สุกปกปิดด้วยหนังเช่นเราเห็นเพียงแต่ผมขนเล็บฟันหนังแต่เรายังไม่เห็นอาการต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในเราก็อาจจะหลงคิดว่าร่างกายนี้สวยงามน่าดูน่าชม พอเรามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นกระเพาะเห็นสิ่งที่เป็นของเหลวต่างๆมันก็จะทําให้เราหายความหลงไหลค้ั่งไครในความสวยงามของร่างกายได้ก็จะทําให้เราไม่มีความปรารถนาที่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายของคนอื่น เรื่องร่างกายของเราต่อไปอันนี้ก็จะผ่านถึงขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีมันก็เป็นเรื่องของธรรมที่เกี่ยวกับการเจริญเจริญปัญญาเกี่ยวกับร่างกายกับเวทนาส่วนขั้นที่สขั้นของพระอาหันเนี่ยถึงจะไปเกี่ยวกับเรื่องของจิตการดูจิตจะต้องไปดูในขั้นของพระขั้นการเจริญ อ, อรหัตตมรรคคือต้อง ต้องบรรลุอนาคามีไปก่อนต้องไม่มีปัญหากับเรื่องของร่างกายแล้วร่างกายของเราเรื่องกายของคนอื่นไม่ไม่ยึดไม่ติดนะกายจะสวยไงก็ไม่เห็นว่าสวยแล้วก็ไปพิจารณาตัวที่ยังมีอยู่ภายในจิตอ่าสรุปได้เลยไหมครับว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักกายากยายคตาสติพิจารารูประธรรมให้ดับไปเลยเนี่ย สามารถไปได้ถึงพระนาคามีเลยก็ต้องมีทั้งเวทนาด้วยต้องผ่านทุกขเวทนาด้วยร่างกายเจ็บปวดยังไงก็ปล่อยให้มันเจ็บปวดไปได้โดยไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันนั่งเจ็บแล้วก็ไม่ต้องไปขยับแข้งขยับขาทาใจให้สงบทาใจให้เข้าไปเป็นอุเบกขาหรือเข้าไปในอัปปนาไปปล่อยวาง ความเจ็บของร่างกายไม่ไปจัดการกับความเจ็บความตายก็เหมือนกันไปเจอความตายก็ไม่หนีไม่ถอยเผชิญกับความตายไปก็จะผ่านขั้นโสดาไปขั้นสกิดาคามีขั้นมาคามีก็ต้องเห็นอสุภะในร่างกายของคนที่เราหลงไหลยข้างคล้คนที่เราอยากจะร่วมเสพกามด้วยว่าเป็นร่างกายที่สกปรก หน้าเกลียดต้ากลัวแต่เรามองไม่เห็นเรานอนกับโคงกระดูกทุกคืนแต่เราคิดว่านอนกับดาราภาพยนตร์คิดว่านอนกับนางฟ้าคิดว่านอนกับนายแบบแท้จริงก็นอนกอดโครงกระดูกกันนี่แหละแต่มองไม่เห็นกันนะไม่เคยคิดเลยใช่ไหมนั่นแหละต้องคิดพอคิดมันเห็นแล้วมันก็ไม่อยากจะนอนกับใครแล้ว อนแถึงจะผ่านไปถึงขั้นพระ อ, อนาคามีได้ต้องผ่านทั้งกายทั้งเวทนาส่วนจิตนี่เป็นขั้นของพระอรหันต์าการการเกิดของวิปัสสนาญาณที่เป็นขั้นโลกุตรธรรมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรครับว่ามันไม่ใช่วิปัสสุปกักิเลสก็จิตสงบเนี่ย เวลาไปเจอความตายแล้วก็ปล่อยกันได้ลองไปหาเสือหางูดูแล้วดูว่าใจเรานิ่งหรือใจเราสัน่นถ้าใจสั่นก็ยังเป็นวิปัสสนูอยู่ถ้าใจนิ่งมันก็วิปัสนาไปถ้าเจอคนสวยคนงามใจยังอยากอ ย, กอ ย, กอยู่ก็ยังเป็นวิปัสสนูอยู่ถ้าเห็นสวยงามขนาดไหนเปื้องผ้ายัางไงก็ยังเฉยเฉยอยู่มันแสดงว่ามันเป็นวิปัสนา ก็ขออีกหนึ่งคำถามเหมืก na ันครับเป็นเชิงปริยัตนิดหนึ่งนะครับก็ในขั้นของโสดาปฏิพนเนี่ยที่ละสักกายทิฐิไปแล้วความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยหมดไปแล้วทําไมถึงยังในขั้นอาลัสตมักยังมีสังโยชน์ที่ชื่อว่ามานะความเป็นความถือตัวถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ครับก็มันคนลดตัวกันเนี่ยอันนั้นมันยึดที่ร่างกายว่าเป็นตัวตน อันนั้นมันยึดที่จิตว่าเป็นตัวตนมียึดสองที่ยึดที่ร่างกายก็เรียกว่าสกายาทิฏฐิยึดที่ร่างกายือยึดที่เวทนาเนี่เรียกว่าสกายาทิฏฐิถ้าไปยึดในจิตก็เรียกว่าเป็นมานะเพราะว่ายังยึดยังถือตัวอยู่ว่าอน า, ามียยังถือตัวอยู่ใครมาหยามยังไม่ได้อยู่ใครมาดูถูกก็ยังโกรธเขาอยู่เพรายังถือว่ามีตัวอยู่ ต้องมาทำลายตัวนี้เอาตัวรู้มาแทนตัวตนตัวรู้ถ้ารู้เฉยๆมันก็จะไม่โกรธใครจะด่าก็รู้ว่าเขาเขาด่าไปแต่พอเอาตัวตนไปรับมันก็จะโกรธขึ้นมาฉะนั้นต้องหยุดเอาตัวตนออกไปรับกับเหตุการณ์ต่างๆเอาตัวรู้ไปรับแทนอันนี้ต้องใช้ใช้ปัญญาสอนใจว่าต่าไป็นใ้เยียวตัวตนออกไปรับเหตุการณ์เอาตัวรู้ไปรับเหตุการณ์ ใครชมก็ไม่ยิ้มไม่ดีใจรู้เฉยๆว่าเขาชมใครด่าก็ไม่เสียใจรู้เฉยๆว่าเขาด่าอย่างนี้ถึงจะละตัวตนได้มนขอขอแถมอีกหนึ่งคำถามหนอ่งในขั้นของปัสะกิทาคามีที่ละเอะกามราคะกับปฏิฆะบางส่วนลงไปเนี่ยนะครับ ม, มันมันคือส่วนไหนครับแล้วส่วนไหนที่ยังเหลืออยู่ครับทําให้มันน้อยลงไปเบาบางลงไป จากร้อยนึ่งก็เดือแค่ห้าสิบเพราะบางเวลายังเห็นว่าสวยบางเวลายังเห็นว่างามอยู่บางเวลาก็เห็นว่าเป็นอสุภะป้านาคามีนีจจะเห็นว่าเป็นอสุภะตลอดเวลาก็เลยละได้ตลอดเวลาป้าสกีดาคานักได้บางเวลาบางเวลาก็เผลอเรือมาสุภะไปก็เห็นว่าเป็นสุภะไปพอเห็นว่าเป็นสุภะก็เกิดการมาลาคะขึ้นมาเกิดปฏิฆาขึ้นมา ก็ยังไม่เจริญนะสุภาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาข อ, ขอบพระคุณครับอาจารย์ต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกนะครับจากคุณอุจังนะครับ <c oughs> การสวดมนต์เจริญสติเราจะต้องสวดนานเท่าไหร่คะถึงจะเป็นการเจริญสติที่ดีได้สวดจนการมันจะสงบอหม ถ้าใจสงบแล้วก็เหมือนกับกินข้าวเนี้ยกินไปเรื่อยๆกินไปจนกว่าใจอิ่มถ้ายังไม่อิ่มแล้วก็ไม่หยุดกินใช่ไหมการสวดมนต์ก็เป็นการให้อาหารใจความสงบนี้เป็นความอิ่มของใจถ้าใจยังไม่สงบก็ยังกินไม่พอก็สวดไปก่อนไม่ใช่สวดแค่รอบเดียวจบแล้วก็เลิกสวดอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้อย่างนั้นมันก็จะไม่พอกินสงคำแล้วก็เลิกกินมันก็ไม่อิ่ม ต้องกินไปเรื่อยๆจน ก, กินไม่ลงนั่นแหละถึงจะเรียกว่าอิ่มส่วนไปจน ก, กระทั่งมันไม่อยากจะสวดเนะมันมันสวดไม่ไหวแล้วมันอยู่เฉยๆมันไม่คิดไม่ไม่อยากไปทําอะไรแล้วนั่นแหละมันถึงเรียกว่าสงบแล้วมันอิ่มคําถามเจ้าคุณเอกนะครับผมทําสมาธิจนคำบริกรรมขึ้นมากับใจแล้วแต่ใจไม่อยากทําต่อไปเพราะยังเสียตายโลกนี้อยู่ <c oughs> ผมจะทําอย่างไรให้ใจ อยากทําต่อไปอีกครับก็มองโลกนี้ว่าเป็นโลกของความทุกข์ไม่ใช่โลกของความสุขเผลที่เราได้รับจากการภาวนานี้เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์เหมือนกับความสุขที่เราได้จากทางโลกเพราะความสุขทางโลกมันมีวันมาแล้วก็ต้องมีวันไปมีไม่ได้แล้วก็ต้องมีเสียมีเจอแล้วแล้วก็ต้องมีเสื่อมคําถามจะคุณบีนะครับ เคยได้ยินว่าเทวดาพรมหากก่อกุศลสามารถไปนิพพานโดยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จริงหรือไม่คะถ้ามีคนสอนเช่นมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์คอยสอนก็สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้คำถามข้อต่อไปจากคุณสุปัญญานะครับบางครั้งตื่นนอนกลางคืนก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วกาหนดพุโทโธก็เห็นจิตปรุงแต่ง นึกคิดจนจิตว่างแต่ไม่นานก็มารู้สึกเกี่ยวกับร่างกายตัวเองค่อยๆรู้สึกร้อนแล้วก็ร้อนจนเหนือท่วมตัวจนรู้สึกหายใจเหนือ่อยเหนื่อยหอบพยายามท่องพุทโธแต่อาการที่เป็นอยู่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยหยุดการภาวนาทั้งๆ ท, ที่อากาศก็หนาวเย็นทำไมมีอาการอย่างนี้ได้คะแล้วเราจะมีวิธีการจะทำอย่างไร ถึงจะผ่านตัวนี้ไปได้เพราะเป็นบ่อยค่ะก็ปล่อยวางมันจะเป็นแล้วก็ให้มันเป็นไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะจัดการในตัวของมันเองพอตายไปเรื่องทุกอย่างก็จบโรคภัยแค่เจ็บต่างๆก็หายหมดถ้ายังไม่ตายยังไม่หายก็อยู่กับมันไปใจของเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันไปอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสุข ถ้าเราจัดการกับมันไม่ได้แก้ไขไม่ได้รักษาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้จะให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำใจถ้าเราทำใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะสบายใจถ้าเราอยากไปเปลี่ยนมันแเราเปลี่ยนไม่ได้เราก็จะทุกข์ทุกข์กายแล้วไม่พอยงต้องมาทุกข์ใจทุกข์ใจนี่เราหยุดได้แต่ทุกข์กายนี่เราหยุดมันไม่ได้ ถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปแล้วเราใจใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันคําถามจะคุณเสริมสักนะครับเคยได้ยินเขาพูดจนว่าเกิดมาชาติเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มกินเที่ยวตายไปก็ไม่ได้ทำํำรีบๆทําไม่ต้องคิดมากตายไปก็เอาไปไม่ได้ต้องทําอย่างที่เขาว่าใหมครับก็ต้องกลับมาทําใหม่เพราะว่ามันไม่พอ พอตายไปแล้วก็อยากจะทําก็กลับมาเกิดใหม่ก่อนจะเป็นเวลาเกิดใหม่ก็จะไม่ได้ทําใหม่ก็ต้องไปเรียนหนังสือไปหางานทําไปหาเงินหาทองกว่าจะได้ทําก็ทําได้เดี๋ยวเดียวเงินก็หมดถ้าอยากจะทําแบบนี้ก็ทําไปก็ต้องกลับมาทําอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาอยากทําแล้วไม่ได้ทํา ก, ก็จะทุกข์คำถามจะคุณสระอัดนะครับผม เป็นคนที่ทำทานบ่อยๆจะเป็นคนใจดีมีน้ำใจการเป็นคนใจดีแล้วเป็นเหตุให้บุคคลอื่นมาขอความช่วยเหลือมากไปจนเกินความจำเป็นพูดทางโลกคือมาขอเราได้ง่ายดีเราควรจะมีอุบายวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรครับก็ใช้เหตุใช้ผลว่าสมควรจะให้เขาหรือไม่ให้เขาถ้าไม่สมควรก็ต้องปฏิเสธไป ถ้าสมควรให้ก็ให้ไปคำถามข้อต่อไปจะคุณ APR นะครับตั้งแต่เข้าพรรษามานี้ก็ผมถือศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแต่พื้นที่ในห้องพระผมมันเป็นพื้นที่อับคับแคบถ้าเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเราจุดแต่เทียนอย่างเดียวได้หรือไม่ขอรับเพราะจุดธูปแล้วควันขโมงเต็มห้องกว่าจะสวดเสร็จ ได้ไม่ต้องจุดทูบไม่ต้องจุดเทียนก็ได้การบูชานี่บูชาด้วยปฏบิบัติบูชาเพียงอย่างเดียวก็พอทูบเทียนนี้เป็นเหมือนอาลิสบูชาถ้ามันอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการจุดทูบหรือเทียนก็อย่าไปจุดเช่นเวลานั่งสมาธิถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปจุดเทียนเดี๋ยวเกิดไฟเทียนมันน้มหนุงไปไฟมันไหมเรานั่งหลับตาไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาไฟไหม้บ้านไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจุดนอกทูกเทียนไม่ต้องมีก็ได้ดอกไม้ไม่ต้องมีก็ได้บูชาด้วยการปฏิบัติการนั่งสมาธินี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาที่แท้จริงการบูชาด้วยทูกเทียนดอกไม้นี่เป็นการบูชาในเชิงแสดงความแสดงความบูชาในใจเราท่านเองว่าเราเคารพนับถือแต่ไม่ได้เป็น การบูชาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราบูชากันพระพุทธเจ้าต้องการให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคำถามจ้าคุณเล็กนะครับเมื่อสองอาทิตย์มานี้ลูกป่วยเป็นไข้หวัดได้พิจารณาว่าที่ป่วยนี้เป็นที่ร่างกายส่วนจิตแต่ได้รับรู้อย่างเดียวจิตไม่ป่วยอย่างนี้เป็นการแยกกายกับจิตใช่ไหมคะ ป่วยแล้วเป็นธรรมดาของกายเดี๋ยวมันก็หายได้ไม่วิตกกังวลมากมายเพียงแต่รับรู้ไว้ขอคําแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มเติมค่ะบก็ถูกแล้วใจไม่ได้ป่วยไปกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายแต่ถ้าใจหลงใจไปอยากให้ร่างกายไม่เป็นก็ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็แสดงว่าใจไปติดอยู่กับร่างกาย ถ้าอยากแยกใจออกจากร่างกายก็ต้องพิจารณาว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นของร่างกายไม่ได้เป็นของใจใจมีหน้าที่รับรู้เฉยๆก็รับรู้ไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปคำถามข้อต่อไปจะคุณภารดีนะครับขอเมตตาอธิบายสภาวะ การดับที่จิตเป็นอมตะหรือความเที่ยงที่เรียกว่าพระนิพพานเจ้าค่ะอันนี้เราก็ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนนะพระนิพพานก็คือการดับของกิเลสตันหาถ้าหมดกิเลสเมื่อไรก็ถึงิม่นิพพานเมื่อ น, นั้นถ้าหมดความโลภความโกรธความหลงหมดความอยากต่างๆก็เป็นพระนิพพานขึ้นมาคาถามข้อต่อไปจากนายพอใจนะครับนั่งภาวนาจิตสงบจิตรวม แตกต่างกันอย่างไรครับก็คําแบบเดียวกันน่ะมันสงบด้วยมันรวมด้วยมันรวมมันยังจะสงบถ้ามันไม่รวมมันยังไม่สงบเต็มที่ถ้ารวมแล้วมันจะสงบเต็มที่เด๋อแต่สักแต่ว่ารู้ก็ว่ารวมก็คือจิตเข้าสู่ตัวรู้มันไม่ได้ไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันเข้าไปอยู่ที่ตัวรู้ตัวเดียวก็เรียกว่าจิตรวมเวลาจิตไม่รวมมันยังจะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ยังไปรับรู้เรื่องเสียงรูปเสียงกลิ่นรนดอยู่นีแสดงว่าจิตยังไม่รวมคำถามจะคุณอเล็กนะครับการที่บุคคลซึ่งถือว่าเป็นคนดีพอสมควรแต่เวลาเราชมเขาแล้วว่าเขาเป็นคนดีแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีถือว่าเขาเป็นคนแบบไหนครับ <c oughs> เป็นคน อ, อ่น้อมทำตนเนาะ คำถามจะคุณมินดี้นะครับถ้าคนทำไม่ดีกับเราอย่างมากๆและสถานการณ์ยังคงอยู่เรารู้อยู่แต่เราใช้การพิจารณาทางปัญญาว่าเป็นผลกรรมเก่าที่เราทำมาเองเราต้องยอมรับและชดใช้เขาไปโดยไม่โกรธและตอบโต้เขาได้จริงๆโดยใจไม่รู้สึกทุกข์ถือว่าเราได้ลดมานะาและอัตราตัวตนลงได้แล้วหรือยังคะ เราก็ได้ลดแล้วล่ะลดกิเลสคือความโกรธลงไปความเครียดแค้นอะ่ะความมาค่าพยาบาทลงไปคำถามจากคุณปอนะครับทำหมันหมาแมวถือว่าบาปไหมคะ อ, อไม่บาปหรอกออไม่ได้ไปฆ่าเขาคำถามข้อต่อไปจากคุณปทุมมานะครับสรุปว่าตลอดสายของการปฏิบัติคือ การรู้สึกกายใจไปจนตลอดชีวิตใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกคือการปฏิบัติเพื่อเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงและความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจหมดแล้วครับอาจารย์ค่ะ ข, ข อ, ขอากาบเรียนทานท่านพระอาจารย์นะคะโดยปกติที่ที่เราทำบุญนะคะ ไม่วเราสร้างบุญสร้างกุศลหรือทําบุญหรือสวดมนต์ใดก็ตามแล้วเราเราลึกถึงบุญนะั้นเราเลิกถึงให้กับมารดาสามีบุตรทิดาหรือญาติญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยบุญนั้นจะไปตกกับท่านที่เรานึกถึงเหล่านี้หรือเปล่าคะบุญที่เราจะอุทิศได้ต้องเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานเช่นเราทําบุญทําทานไปแล้วเราเกิดความอิ่มเอิบใจจาก การทำทานนั้นเราก็แบ่งให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้แต่เขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ว่าเขารอรับอยู่หรือไม่รอรับถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เราแผ่ไปให้เขาเพราะบุญที่ก็มีอยู่มีมากกว่าบุญที่เราส่งไป mm hmm. ถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะได้รับประโยชน์เพราะเาจะเป็นเหมือนขอทานบุญเขาไม่มีบุญ mm hmm. เขาก็จะได้รับบุญส่วนนั้นไป แต่บุญอย่างอื่นจากกันรักษาศีลจากการนั่งสมาธินี้เป็นบุญที่สูงที่ไม่สามารถแบ่งให้คนอื่นได้แล้วเวลาเรานั่งสมาธินะคะนั่งสมานอกมาธิสุดมนต์ภาวนาค่ะจิตจะฟุ้งอะค่ะจิตฟุง้งเรออะลึกลมหายใจเข้าออกพุทโธได้ช่วงระยะหนึ่งแล้วสักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็จะฟุ้งค่ะฟุ้งไปที่อื่นสติเราเผลอไงพอเผลอสติมันก็จะคิดไปทันที แเราต้องสร้างสติให้มีกำลังมากๆวิธ <Okay. S 1> ีสร้างมากๆก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามีพุทโธเราเลี้ยงจิตใจไปตลอดทั้งวันพอมานั่งมันก็จะสงบมันจะไม่ฟ okay. <emente> ุ้งขราบสาธุค่ะมาทางนี้หน่อยทางข้างหลัง ในชีวิตจริงเราต้องการที่จะถูกห้อมล้อมด้วยกัลยาณมิตรค่ะแต่ถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคนพานเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็อยู่ร่วมกับเขาอย่างไรค่ะก็หัดเจริญพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาเมตตาก็คือให้เรา มีความปรารถนาดีกับเขาถึงแม้เขาจะไม่ดีก็เรื่องของเขาถ้าเจอกันก็ทักทายกันมีอะไรก็แบ่งปันกันไปแล้วกรุณาก็คือถ้าเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันไปมุดิตาก็คือเวลาเขาได้ดิบได้ดีก็ชื่นชมยินดีไปกับการได้ดได้ดิบได้ดีของเขาถ้าเขาไม่ปรารถนาไม่ต้องการมาจากเรา เราก็ทําใจเป็นอุเบกขาเฉยๆไปถ้าก็ไม่ต้องการเมตตาลรวก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องการกรุวณาก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องการมุนิตาก็ไม่ต้องให้แต่เราอยากไปเสียใจหรือเราอยากไปอยากให้เขาดีกับเราถ้าเมื่อเขาไม่อยากจะดีกับเราก็ปล่อยเขาไปเราอย่าไปทุกข์กับเขาก็แล้วกันหมดแล้วใช่ไหมโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา